แต่น้องฟางครับเชื่อไหมว่าการที่ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยสาหรับผมแล้วนะยังไม่น่าแปลกประหลาดเท่ากับการที่ท้องฟ้าตอนกลางคืนอ่ะตอนท้องฟ้าตอนกลางคืนสีอะไรครับดำดำดใช่ไหมมืดนะอันนี้ยังประหลาดกว่าอีกเรื่องนี้เป็นปริศนาที่ผมว่าน่าสนใจมากเพราะว่าการจะเข้าใจเรื่องนี้มันนํามาซึ่งความเข้าใจหลายอย่างเกี่ยวกับโครงสร้างของเอกภพของเรารวมทั้งกําเนิดเอกภพได้ด้วย you're listening to the standard podcast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 จินตนาการถึงท้องฟ้าในฤดูหนาวนะคะยิ่งวันที่ไม่มีเมฆด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหมันฟ้าได้ใจนะคะคําถามสุดคลาสสิกเลยทําไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้านะคะเรื่องนี้เนี่ยฟิสิกส์อธิบายได้แล้วก็ใดๆในโลกล้วนฟิสิกส์วันนี้มีพี่ป่องแปงมาช่วยอธิบายนะคะเช่นเคยคะ่ะอยู่กับฟางรัฐทโรจิตพนาค่ะและผมป่องแปงอดวโรงจันทมาศครับพี่ป่องแปงคะทิ้งคําถามไปและะ้วค่ะทําไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้ามันมั น, ม, นมันเกิดจากอะไรจริงๆ การที่เราเห็นท้องฟ้าในตอนกลางวันเป็นสีฟ้านะฮะเป็นปรากฏการณ์ที่ธรรมดามากธรรมดาจนบางทีเนี่ยเราก็ละเลยไปว่าความธรรมดาเนี้ยมันเกิดจากอะไรปกติเวลาเราตั้งคําถามอะไรบางอย่างนะครับเรามักจะตั้งคําถามจากสิ่งที่มันมีรูปแบบแปลกประหลาดผิดแผ่ธรรมดาแต่การอธิบายเรื่องธรรมดาธรรมดาแบบนี้จริงๆมันไม่ง่ายเลยนะฮะกับการอธิบายว่าทําไมท้องฟ้าที่เราเห็นในตอนกลางวันเป็นสีฟ้า คิดว่าท้องฟ้าบนดวงจันทร์สมมตินักบินอวกาศไปอยู่บนดวงจันทร์เนี่ยเขามองเห็นท้องฟ้าตอนกลางวันสีอะไรครับอุ้ยไม่รู้เลยอ่ะเพราะว่าภาพที่เวลาเราเห็นการไปเยือนดาวดวงอื่นๆหรือออกไปนอกโลกอ่ะมันเป็นสีดําทั้งหมดหมายถึงว่าถ้าเป็นดวงจันทร์เนี่ยเป็นสีดําอมหมายความว่าถ้าเราเป็นนักบินอวกาศนะฮะแล้วก็สมมุติในอนาคตถ้ามนุษย์เราจะไปตั้งอนาณานิคมบนดวงจันทร์จริ ง, อรงๆอตอนกลางวันเนี่ยเราก็จะเห็นบน ผิวดวงจันทร์เนี่ยสว่างแล้วก็เห็นดวงอาทิตย์เป็นจุดสว่างค่อยๆเปลี่ยนตำแหน่งไปมาอะไรเนี่ยนะแล้วก็ที่น่าสนใจจริงๆก็คือท้องฟ้าที่อยู่รอบๆดวงอาทิตย์บนดวงจันทร<ช>์ถ้าเรามองจากบนดวงจันทร์เนี่ยมันดํามืดเมันไม่เหมือนกับเวลาที่เรามองท้องฟ้าออกไปจากบนโลกไม่เหมือนมันดํามืด ห, หรือถ้าเราไปตั้งอนานิคมอยู่บนดาวอังคารท้องฟ้าเป็นสีอะไรในช่วงทเที่ยงๆเนี่ยท้องฟ้าบนดาวอังคารค่อนข้างจะเหลือง <Ừ. S 2> อ่าแต่ถ้าดวงที่เริ่มเปลี่ยนตำแหน่งคล้อยๆใบๆลงมาเนี่ยมันจะเริ่มแดงๆส้มๆ <Ừ. S 2> แล้วตอนที่มันใกล้ๆจะตกดินเนี่ยมันจะตุนต่นๆน้ำเงินน้ำเงินเข้ม <Ừ. S 2> <c oughs> แปลว่าการ <c oughs> ที่เราเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยเป็นสิทธิพิเศษของคนที่อยู่บนโลกเท่านั้นเหรอใช่ครับเป็นสิทธิของชาวโลกอย่างเรานะฮะ <Ừ. S 2> และเป็นสิทธิของเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยไม่ใช่เพียงแค่พรามนุษย์เราอยู่บนโลกแต่เป็นเพราะ ธรรมชาติบางอย่างในดวงตาของมนุษย์ซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะแต่คําถามที่ดูเบสิกแบบเนี้ยมนุษย์เราเนี่ยมีวิทยาศาสตร์มาตั้งถ้านับตั้งแต่ยุคโบราณเลยอ่การลิเลโอในสี่ร้อกว่าปีแล้วนะคิดว่ามนุษย์เรารู้คําตอบว่าท้องฟ้าเป็นสีฟ้ากี่ปีมาแล้วครับฟังคงไม่นานมัง้งเพราะมันดูเหมือนเป็นสิ่งเบสิกที่ทุกคนอาจจะละเลยอย่างที่พี่ปองแปงว่าหรือเปล่าจริงๆแล้วหลายๆคนก็ไม่ค่อยถามแต่นักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์เนี่ยชอบถามอยู่แล้วอืแต่คําอธิบายมันยากมากออื และเราเพิ่งรู้ประมาณร้อยกว่าปีเท่านั้นเองประมาณ150ปีปเท่าเปีแนี้ซึ่งคนที่ไขคําตอบนี้ได้เป็นคนแรกๆเนี่ยเป็นนักฟิสิกส์ผู้มีชื่อว่าลอร์ดเรลียเขาเป็นนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากแล้วก็ทฤษฎีที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยนําไปสู่คําอธิบายว่าทําไมเราเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าะค่เ อ, อเขาอธิบายไว้ อ, อย่างไงคะคําอธิบายคืออย่างนี้ครับคือแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยเวลามันวิ่งเข้ามาเจอกับชั้นบรรยากาศอากาศบนโลกเนี่ยนะครับ เนื่องจากแสงอาทิตย์เป็นคลื่นแม่หเหล็กไฟฟ้าทีนี้พอเจอโมเลกุลของอากาศบนโลกเนี่ยนะครับมันจะทําให้โมเลกุลเนี่ยนะฮะมีการสั่นด้วยความถี่เดียวกันกับคลื่นที่มันมาปะทะแล้วพอมันสั่นปุ๊บตัวมันเนี่ยจะมีการปล่อยพลังงานออกไปรอบๆเขาเรียกการกระเจิงอลองนึกภาพครับคือวิ่งเข้ามาปุ๊บนะเจอก้อนโมเลกุลอากาศมันก็จะสั่นอพอสั่นปุ๊บตัวมันก็จะสว่างเรืองรองออกมารอบๆเรียกว่าการกระเจิงทีนี้การกระเจิงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ดี กับความยาวคลื่นสั้นๆซึ่งมันก็ตรงกับสีม่วงสีน้ําเงินเนี่ยฮะมันก็เลยทําให้สีม่วงกับสีน้ําเงินเนี่ยมันถูกกระเจิงกระจายแผ่ออกมาเต็มเต็มท้องฟ้าเลยเหมือนถูกทาด้วยสีฟ้าค่ะแสงเนี่ยแต่ละสีเนี่ยมันจะมีความยาวคลื่นแตกต่างกัน<อ>เราลองนึกภาพคลื่นทะเลก็ได้ค่ะถ้าเกิดคลื่นมันถี่มากๆอย่างเงี้ยเราเรียกว่าความยาวคลื่นสั้น<อ>คือจากนี้มาเนี่ยมันสั้นมากเลยช่วงเบียร์ก็ครบรอบแล้ว แต่ถ้าเกิดมันอย่างนี้ครับโอ้โหอย่างเงี้ยความยาวคลื่นยาวนะความยาวขึ้นสั้นๆที่สุดของสีเนี่ยคือม่วงแล้วก็ค่อยๆมาครามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงนี่ความยาวคลื่นยาวมากมซึ่งการกระเจิงมันจะเกิดได้ดีกับพวกความยาวขึ้นสั้นๆคือมันามาทิีๆแบบเนี้ยใช่แต่ทีนี้สั้นที่สุดคือม่วงมันควรจะกระเจิงเยอะสุดแต่ทําไมเราไม่เห็นทองฟ้าเป็นสีม่วงอืเกี่ยวอะไรกับชั้นบรรยากาศหรืออะไรที่อยู่บนโลกของเราไหมคะ อันนี้แบ่งออกเป็น2ปัจจัยนะซึ่งผมว่ามันน่าสนใจมากก็คืออย่างแรกเลยนะคือสีม่วงเนี่ยดวงอาทิตย์มันมีการแผ่สีออกมาทั้งหมดนะครับก็คือเป็นสีรุ้งเลยจริงๆดวงอาทิตย์มันเปล่งออกมาเป็นสีรุ้งแล้วมันรวมกันเป็นแสงขาวแต่สีม่วงเนี่ยมันแผ่ออกมาน้อยกว่าสีน้ำเงินหน่อยคือมันไม่ได้แผ่มาเท่าเท่ากันทุกสีแต่สีม่วงเนี่ยมันน้อยกว่าดังนั้นสีม่วงแม้จะกระเจิงได้ดีแต่เนื่องจากเขาปล่อยมาน้อยมันก็เลยโดนสีน้ําเงินค่อนข้างจะกลบพอสมควร แต่ที่สาคัญจริงๆมันอยู่ตรงที่ในตาของเราครับคือตาของเราเนี่ยตอบสนองต่อสีฟ้าได้ดีกว่าสีม่วงค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าถูกต้องปัจจัยอย่างที่บอกนะครับก็คือสีม่วงเนี่ยแม้จะกระเจิงได้ดีกว่าแต่มันมาน้อยกว่าแล้วตาเราเนี่ยตอบสนองต่อสีน้ําเงินดีมากเลยเราก็เลยเห็นสีน้าเงินหรือสีฟ้าเนี่ยชัดกว่าสีม่วงกระจายแผร่ไปทั่วเลย ทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าถ้าภาพถ่ายหรือว่าสิ่งที่นักบินอวกาศไปอยู่บนดาวดวงอื่นก็เห็นท้องฟ้าต่างออกไปอันนี้มีคำถามและ้าทีนี้ดวงอาทิตย์ดวงเดิมตาของมนุษย์คู่เดิมแต่พอย้ายไปอยู่ที่ดาวดวงอื่นทําไมท้องฟ้ามันถึงไม่เหมือนกันคําตอบก็คืออย่างดวงจันทร์เนี่ยมันไม่มีชั้นบรรยากาศเลยนะครับเรียกว่ามันบางจนไม่มีแล้วกันดังนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรให้กระเจิง ม, มันก็หลงเหลือแค่ความมืดของอวกาศเท่านั้นเองอนะฮะ ออกไหมคือแสงมันวิ่งมามันก็ส่องสว่างอย่างเดียวมันไม่มีอากาศให้คอยกระเจิงแสงอะไรเล ย, เลยดาวอังคารเนี่ยแก๊สของดาวอังคารที่เป็นองค์ประกอบหลักของชั้นบรรยากาศก็ไม่เหมือนกับอากาศบนโลกของเรานะดาวอังคารองค์ประกอบหลักของมันคือแก๊สอะไรทราบไหมหายใจเข้าไปเนี่ยก็ถ้าไปดาวอังคารแล้วไม่ใส่ชุดอว ก, กาศนะหายใจเข้าไปปุ๊บแป๊บเดียวขึ้นสู่ ส, สูงสวรรค์ได้เลยก็คือมันเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ฮะคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมากเข <ภา S 2> ้มข้นมากกว่าแก๊สอื่นๆเป็นเป็นหลักแล้วกันดังนั้นการกระเจิงของคาร์บอนไดออกไซด์กับอากาศบนโลกของเราก็จะมีความแตกต่างกัน อ, อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่าถ้าเราอยู่บนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงอื่นๆถ้ามีชั้นบรรยากาศนะครับมันก็เป็นไปได้ที่เราจะเห็นท้องฟ้าบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงนั้นเนี่ยแปลกแตกต่างออกไปแล้วมันยังเชื่อมโยงนิดนึงว่า ตอนที่เราเห็นดวงอาทิตย์ใกล้ๆตกดินเนี่ยมันเป็นสีอะไรครก็จะออกส้มหรือบางทีก็จ ะ, จะมีไล่เฉดสีดส้มส้มแดงแดเป็นโทนแดงแดงแถวนั้นเพราะว่าตอนที่ดวงอาทิตย์ใกล้ๆตกดินเนี่ยแสงดวงอาทิตย์เนี่ยมันผ่านชั้นบรรยากาศมาไกลมากลองนึกภาพนี้ก่อนครับโลกของเรามันเป็นกลมๆแล้วชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยเป็นคล้ายๆกับวุ้นบางๆที่แบบเคลือบไว้เคลือบไว้ตอนที่อยู่ที่งเที่ยงหรือช่วงแบบกลางวันนะฮะ มันผ่านชั้นบรรยากาศแป๊บเดียวก็ทะลุมาถึงผิวโลกหรื ม, มันเป็นแบบเนี่ยผ่านมาตรงๆก็ผ่านนิดเดียวแต่พอดวงอาทิตย์มันมาอยู่ตรงขอบเนี่ยมันผ่านชั้นบรรยากาศมาค่อนข้างไกลมากมันต้องผ่านมาไกลทีนี้พอมันผ่านมาไกลเนี่ยสีที่มันเป็นสีม่ว ง, ๆ น, งนๆน้ำเงินน้ำเินี่ยมันก็ถูกกระเจิงไประหว่างทางหมดละเ<อ>หลือแค่แสงสีแดงๆเท่านั้นที่ตกมาถึงดวงตาเราดวงอาทิตย์ช่วงใกล้ตกดินหรือช่วงที่อยู่ตรงขอบฟ้าก็คือช่วงย่ํารุ่งมันก็เลยเป็นสีแดงๆส้มๆ และนั่นเป็นเหตุผลที่จันทรุปราคาเนี่ยครับเป็นปรากฏการณ์ที่เงาของโลกเนี่ยท่าไปบนดวงจันทร์หลายคนเข้าใจว่าจันทรุปราคาเต็มดวงเนี่ยเงาของโลกมันจะท่าไปบนดวงจันทั้งหมดดังนั้นมันจะมืดสนิทแต่จริงจริงมันไม่มืดสนิทนะฮะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยดวงจันทรตอนนั้นจะกลายเป็นสีแดงอืเปราเคยเห็นเคยเห็นใ่ไมจะมีแบบเวลาถ่ายภาพออกมาแล้วก็ดวงจันร์ะเป็นสีแดงใช่ถามว่าทําไมมันแดง ทำไมคะพี่คำตอบก็คือเพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยฮะตอนมันวิ่งมายังมันมันผ่านโลกของเรามาเนี่ยโลกของเรามันเอาเงาไปท่าไว้บนดวงจันทร์ก็จริงแต่โลกของเรามันไม่ใช่ทรงกลมแบบลูกบอลลิงครับเหมือนลูกสนุกเกอร์ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างที่บอกมันมีชั้นบรรยากาศเป็นบางๆคลุมอยู่คแสงส่วนหนึ่งของดวงอาทิตย์ที่มันผ่านชั้นบรรยากาศมันหัดเหวไปโดนดวงจันทร์มันเบี้ยวไปโดนดวงจันทร์หน่อยนึงออื แล้วส่วนที่มันวิ่งผ่านชั้นบรรยากาศเนี่ยมันกระเจิงแสงสีฟ้ากระจายออกไปหมดแล้วส่วนที่วิ่งทะลุออกไปมันเลยเหลือแต่สีแดง<อ>ปรากฏการณ์จันทะลุป ร, ราคาก็เลยเป็นสีแดงตอนเต็มดวงนะ อ, อย่างนี้เหมือนมันมีปัจจัย <c oughs> หลายอย่างไม่ได้เพียงแค่การกระเจิงเท่านั้นแต่ว่ามันมีทั้งเหมือนเหมือนเป็นตัวส่งสัญญาณเนื้อจากจากดวงอาทิตย์ มาถึงตาของเราเองแล้วก็มีแบบเหมือนกับปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างทางด้วยอ่าก็การที่เราเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าก็เป็นเพราะหนึ่งคือการกระเจิงเป็นหลักแล้วก็มีเรื่องของปริมาณของสีที่ดวงอาทิตย์ปล่อยออกมารวมทั้งเรื่องของตาเราใช่แต่น้องฟางครับเชื่อไหมว่าการที่ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยสาหรับผมแล้วนะยังไม่น่าแปลกประหลาดเท่ากับการที่ท้องฟ้าตอนกลางคืนอน่ะท้องฟ้าตอนกลางคืนสีอะไรครับดำด ำ, ดำใช่ไหมมืดนะอันนี้ยังประหลาดกว่าอีก หรอทำไมอะคะคือต่อให้เราตัดแสงจากดวงจันทร์ทิ้งต่อให้เราตัดแสงอื่นๆหลายอย่างจากดาวทิ้งนะครับถ้าน้องน้องฟังไปที่สมมติไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติสักแห่งหนึ่งที่แบบโอ้โหแสงมงแสงเมืองอะไรก็น้อยนะฮะแล้วก็ลองยื่นมือออกไปตอนกลางคืนแล้วเอามือไปทาบบนบนท้องฟ้าตอนกลางคืนอ่ะเราจะพบว่าท้องฟ้าตอนกลางคืนมันไม่ได้มืดสนิทขนาดนั้นนะแต่การที่เราเห็นท้องฟ้าตอนกลางคืนมืดอนะ่ะ อันนี้จะทิ้งท้ายไปไปถึงได้หลายอย่างนะฮะแต่เอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องประหลาดมากเรารู้ดีว่าท้องฟ้าตอนกลางคืนมันมืดแน่ๆเพราะมันไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์ครับอันนี้ใครๆก็รู้คือโลกของเราเป็นวงทรงกลมเนอะด้านที่โดนดวงอาทิตย์ก็รับแสงไปมีสีฟ้าสีอะไรก็แล้วแต่ช่วงเวลาแต่ตอนกลางคืนเนี่ยมันมืดมันเป็นสีดําเราก็รู้สึกว่ามันก็ต้องดําสิเพราะมันมันอะไรอ่ะมันแบบไม่มีแสงมันไม่มีแสงแต่ทีนี้ลองคิดดีๆนะทําไมมันดําทั้งที่จริงๆแล้วอะ สมมติว่าถ้าเอกภพบนะฮะใหญ่มากแล้วดาวแต่ละดวงเนี่ยมันก็กระจายตัวตามจุดต่างๆในเอกภพบทั่วไปหมดในเมื่อมันกระจายทั่วเรามองไปตรงไหนสายตาก็ต้องชนกับดาวสักจุดหนึ่งน้องฟังลองนึกภาพนะว่าถ้าเราไปอยู่กลางป่าสนกลางป่าสนอันใหญ่โตเลยนะไม่ว่าจะมองไปตรงไหนอะตาก็ต้องไปชนกับต้นสนไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลก็ต้องชนกับต้นสนสักต้นหนึ่งดังนั้นโดยตัดกะตรงนี้นะถ้าเราอยู่ ในโลกของเราแล้วมองออกไปอย่างท้องฟ้าตอนกลางคืนน่ะแล้วเอกภพมันใหญ่มากครับแสงจากดาวต่างๆมันก็ควรจะมาถึงตาเราแล้วทําไ ม, อมตอนกลางคื น, ม, นมันถึงมืดมทําไมตอนกลางคืนมันถึงไม่สว่างเหมือนตอนกลางวัน ล, ล่ะเรื่องนี้เป็นปริศนาที่ผมว่าน่าสนใจมากเพราะว่าการจะเข้าใจเรื่องนี้มันนํามาซึ่งความเข้าใจหลายอย่างเกี่ยวกับโครงสร้างของเอกภพของเรารวมทั้งกําเนิดเอกภพได้ด้วย แล้วก็แนวคิดที่ว่าทําไมท้องฟ้าตอนกลางคืนถึงมืดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า uh, o v พ r paradox หรือปฏิทัศน์ของคุณ over นะไอ้ตรงเนี้ยไว้เล่าให้ฟังในตอนกาเนิดเอกภพถ้ามีโอกาสพอฟังเมื่อกี้แล้วนะพี่ก็จะรู้สึกว่าความเข้าใจเดิมของเราอะเราก็จะเห็นแค่ว่าอ๋อมันสว่างเพราะว่ามีดวงอาทิตย์อพอดวงอาทิตย์ตกมันก็จึงมืดแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังมีรายละเอียดอีกเยอะแยะเลยที่มันอธิบายได้นะมันอ้องหลังที่มันอยู่เบื้องหลังใช่ คือปรากฏการธรรมชาติอะครับจริงๆธรรมชาติเนี่ยมันแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาเรียบง่ายเราเหิวข้าวเราหยิบข้าวเข้าไปกินดอกไม้บานดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกท้องฟ้าเป็นสีฟ้าทุกอย่างมันดูเรียบง่ายไปหมดแต่พอเราไปทำการศึกษามันเนี่ยมันมีเบื้องหลังที่ซับซ้อนและท้าทายมนุษย์มาก ก, กลไกการเดินทางของอาหารเราอะ มันหายไปไหนก่อนมันจะเปลี่ยนสภาพมันเปลี่ยนเป็นอะไรยังไงซับซ้อนมากดอกไม้ที่มันบานเนี่ยมันเกิดจากอะไรอะไรขับให้มันเคลื่อนไหวจากดอกตูมเป็นบานมีสารเคมีมีปัจจัยแวดล้อมอะไรตรงนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่มันมีกลไกหลายอย่างที่พอเราไปศึกษาเข้าเนี่ยมันมีความซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างท้าทายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฟิสิกส์ที่หลายอย่างมันเป็นเรื่องที่ดูธรรมดาและตรงไปตรงมาแต่พอไปศึกษาเข้าเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่า เรื่องที่มันดูธรรมดาเนี่ยสุดท้ายแล้วกลไกลของมันมีความน่าสนใจและมีรายละเอียดหลาย อ, อย่างที่รอให้เราไปหาคําตอบอยู่ก็นึกถึงประโยค less is more เลยที่ปองแป๋เพราะเพราะพอฟังเรื่องราวนี้เรารู้สึกว่าการที่เรามองท้องฟ้าแล้วเรารู้สึกดีมันสัมผัสกับจิตใจของเรามันอาจจะดูเป็นเรื่องที่ธรรมดาและเป็นไปโดยเรียบง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังของสีฟ้าเบื้องหลังของสีดําหรือว่าเบื้องหลังของ การทำงานของธรรมชาติมันมีรายละเอียดข้างใต้ที่แบบมีความรู้ทางฟิสิกส์มาอธิบายให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราได้ออกไปท่องเที่ยว ผ่านทางความรู้เหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าใครที่ดูใดๆในโลกโลนฟิสิกส์แล้วเนี่ยอยากฟังพี่ป๋องแต่งอธิบายเรื่องไหนเอ๊อยาก explore เรื่องไหนอีกอยากให้เราพาไปสำรวจเรื่องไหนในในโลกของเราหรือว่าเรื่องราวทางฟิสิกส์ด้วยก็ได้นะคะก็ฝากคอมเมนต์มาบอกพวกเรากันหน่อยนะคะจัดรายการกันอยู่ 2, 2> คนนะก็อยากฟังว่าทุกคนที่ฟังอยู่ดูอยู่เนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็สามารถติดตามพวกเราในทุกๆตอนได้ในทุก podcast player แล้วก็ฝากกด subscribe นะคะที่ YouTube ช่องของ The Standard Podcast กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for your ears